สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองครับการถืออดตอนที่สี่ครับพี่น้องครับหลายหลคนอาจจะมีคำถามว่าทาไมโอ้ถึงพูดเรื่องการถืออดนะครับตั้งเยอะหลายๆตอนเพราะเนื่องจากว่าการถืออดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอันดับที่สามนะครับในการ ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้เติบโตขึ้นอย่างแรกพี่น้องคงจะทําได้ใช่ไหมครับก็คือการอ่านพระคัมภีร์อย่างที่สองก็คือการอาธิษฐานครับหรือสลสับกันครับอธิษฐานอา่านพระีนะครับต้องมาคู่กันเสมอและอย่างที่สามนี่แหละครับก็คือการถืออดอาหารครับหรือว่าถืออดนะครับคงจะจําได้ว่าการถืออดนั้นเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้สิ่งฟุ่งเฟือย กายมาเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตการถืออดนั้นเป็นการป้องกันจิตวิญญาณจากการบุกรุกของเนื้อหนังการถืออดสามารถควบคุมร่างกายเหมือนกับตีตัวเองจนอยู่มือครับตรีร่างกายฝึกฝนร่างกายของเราจนอยู่มือและสามารถควบคุมร่างกายของเราได้สามารถที่จะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก็คือผลแห่งการเซลฟ์คอนโทรลก็คือการควบคุมตัวเองนะครับ การควบคุมตัวเองสามารถทํางานของพระเจ้าได้ดีขึ้นพี่องครับในวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าการอดอาหารนั้นมีวัตถุประสงค์หลายอย่างด้วยกันนะครับผมได้สรุปให้คร่าวๆในตอนแรกแล้วว่าอดอาหารนั้นแบ่งเป็นสองประเภทอดอาหารเพื่อส่วนรวมการถืออดเพื่อส่วนรวมครับส่วนรวมมีความต้องการมีวิกฤตการเราถืออดครับการถืออดอีกประเภทหนึ่งก็คือการถืออด ส่วนตัวเราเองอาจจะมีปัญหาอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีความทุกข์ยากลา บ, บากบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะหลุดพน้นแต่ขอพระเจ้าได้ช่วยเราขอพระเจ้าฟังเราเราถืออดเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเข้าเาพระเจ้าอยากจะรู้น้ำมัทไธของพระเจ้าจัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเราถืออดเพื่อที่จะแสวงหาวัตถุประสงค์และน้ำมัทไธและความมุ่งมั่นมุ่งแต่มุ่งหมายของพระเจ้าในชีวิตของพวกเรา ในวันนี้นะครับเราจะไปดูเรื่องการถืออดการถืออดนั้นเป็นการถืออดในช่วงเวลาแห่งความทุกข์นะครับในโพชเชน่าของพระเจ้าได้กล่าวว่าเมื่อคนเราเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานนะครับพวกเขามักจะไม่หิวในช่วงเวลาตึงเครียดนั้นการงดอาหารหรือการอดนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมดานางทันนานั้นเป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีลูกคนระับนางทันนาร้องไห้ ไม่รับประทานอาหารเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามมเอลครับแต่เมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่านางหันนานด้มีความทุกข์ใจนางหันนานั้มีความมุ่งมั่นปรารถนานางถืออดพระเจ้าก็ฟังคงอธิษฐานขอ ง, งา น, น, นางรัาในที่สุดนางหันนานั้นก็ให้กำเนิดลูกคนหนึ่งชื่อว่าซามูเอลซึ่งเป็นผู้เผยพรชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เป็นผู้วิจัยบทสุดท้ายและเป็นปู้โลหิตของพระเจ้าการถือบดนั้นเป็นการแสดงความเศร้าโศกได้ครับแสดการแสดงออกถึงความเศร้าโศกนะครับดาวิดแสดงความเศร้าโศกในการตายของอับเนร์ครับดาวิดถือบดและเศร้าเมื่อลูกของตัวเองเจ็บป่วยดาวิดและคนของเขาทั้งทีบอกว่าได้ถืออดอาหารเพื่อซาอูลและยูนานทาน ครับการถืออดนั้นเป็นการทําบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งใจมากในรื่องการครับเป็นเรื่องปกติของการถืออดเพราะว่าเมื่อคนเรามีความทุกข์เขาก็ถืออดครับเมื่อคนเรามีความลําบากเกิดขึ้นในชีวิตมีความโศกเศร้ามีความทุกข์ทรมานเขาถืออดครับอย่างที่น่าสังเกตนะครับการถืออดนั้นเป็นการทำที่เรียกว่าทุกคนก็รู้จักดีและ เป็นการกระทำของทุกๆคนได้ด้วยยังกับคาสดาวิดนั้นถืออดอาหารถืออดก่อนการตายของลูกของตัวเองโดยพระองค์เองหรือท่านมีความมั่นใจว่าขณะที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของท่านอันนี้คือความหวังของดาวิดครับการถืออดนั้นก็คือการแสดงออกความตั้งใจอย่างแน่วแน่ด้วยวัตถุประสงค์ด้วยแรงปรัจจณา เพื่อจะให้อยากจะให้ข้าเจ้าได้ตอบคาอธิษฐานของเขาครับทำให้ทูลขอนั้นเกิดผลคาทูลขอเกิดผลเป็นความตั้งใจของผู้อธิษฐานาการถืออดนั่นเมื่อเผชิญกับความความยุ่งยากใจนะครับความเครียดความไม่แน่ไม่นอนในการตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างครับหรือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยน การรับใช้พระเจ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือการตัดสินใจฝ่ายวิญญาณอะไรบางอย่างที่นะครเราจะเห็นนะครับพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีในการถือบทก่อนที่พระเยซูจะเริ่มภารกิจบนโลกนี้พระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนของพระองค์พระเยซูทรงจัดเวลาไว้เพื่ออธิษฐานและถือบทเพื่อที่จะได้เข้าถึงพระบิดา ได้รับกำลังที่มาจากพระยาพระบิดาพระเยซูทรงอดทักษะย า, ารถึงสี่สิบวันสีสิบคืนหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอยากทักษะย า, ารวัทธิบทที่สี่ข้อสองพูดอย่านี้ในฐานะมนุษย์นะครับพระเยซูของเราพระเยซูคริสต์ของเรานั้นเตรียมจิตอินญาณของพระองค์ให้พร้อมเพื่อปฏิบัติพระเจ้าโดยการถือบิพคิดนะครับหลายๆครั้งทีเดียวหลายๆคนนะครับกําลังตั้งใจ ตั้งใจที่จะเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างผมขอเสนอแนะว่าอยากจะให้พวกเราถืออดครับเมื่อตั้งใจจะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างให้ถืออดครับเพื่อที่จะเลยครับเตรียมจิตวิญญาณของเรานะครับจิตวิญญาณของเราในการรับใช้พระเจ้าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวครับต้องกระทบกระเทือนถูกกระแทกกระทัน้นหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เรากําลังเริ่มต้นใหม่ แน่นอนครับเราจะต้องถืออดหืออดเพื่อนะครับถืออดเพื่อที่จะเตรียมจิตวิญญาณขอราให้พร้อมเพื่อจัดจจในสมัยแรกนะครับก็ถืออดครับถืออดก่อนจะตัดสินใจเรื่องที่สําคัญสําคัญที่สุดพอพระเจ้าได้บันทึกไในทําให้เรารู้ว่าในเมืองอันธิโอบสมัยโน้นนะครับเป็นท่าเรือเดินสมุทรและจะเป็นประตูสู่โลกตะวันออกและตะวันตก เรือต่างๆก็จอดเทียบค่าที่นี่เพื่อขนสินค้าที่มันทุกมาโดยกองคาราวานสมัยก่อนเขก็เดินทางด้วยไมา้าด้วยอูนะครับไปด้วย อ, อูนี่เยอะกว่าการขนส่งสินค้าการทําโลจิสติกในสมัยโบราณนะครับส่งจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกเนี่นะครับก็ต้องผ่านเมืองอันติโอกในโอบเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับการสกัดและอุปทานนั้นสามารถแผ่ขยายจากตะวันออกไปถึงตะวันตกได้ ที่จากอันธิโอกนั้นก็แสวงหาพระเจ้าเพื่อที่จะขอทิศทางขอวิธีการดําเนินการเมื่อคนเหล่านั้นกําลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าท่างทีบอกว่าเขาถืออดอาหารครับเขาถืออดและพระวิญญาณได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับเซาโลก็คือเปาโลานี่เองครับจงตั้งแบรนาบัสกับเปาโลไว้สําหรับการที่เราเรียกให้เขาทํานั้น อันนี้คือมิชชั่นครั้งแรกนะครับมิชชั่นครั้งแรกอย่างเป็นทางการพระเจ้าได้แต่งตั้งครับคําว่าแต่งตั้งก็คือแต่ว่าเจิมครับพระเจ้าได้เจิมตั้งแบรน า, าบัสกับเปาโลไว้สําหรับมิชชั่นก็คือการซึ่งพระเจ้าเรียกให้พวกเขาทําพระเจ้าได้สดั่งแตงข้ามถยของพระองค์ว่าจะแผ่ขยายเพื่อจะจับของพระองค์แผ่ขยายพระกิติคุณขาวกระเสิร์ตของพระองค์ไปทางไหนไปทางตะวันออกหรือไปทางตวันตกดีครับ โดยผ่านการอธิษฐานและการถืออดของพี่น้องคริสเตียนที่อนันติโอพี่น้องครับเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับในระดับของคริสตจักรแน่นอนครับเราจะสแสวงหาการทรงนำของพระเจ้ากับในการตัดสินใจตัดสินใจว่าจะไปซ้ายดีหรือขวาดีเราต้องถืออดครับ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่เป็นศรีบานถูกเรียกร้องให้ไปเป็นศรีบานที่ขึ้นจักอื่นเขาต้องการตัดสินใจอย่างถูกต้องเขาต้องการการทรงนำของพระเจ้าเขาใช้เวลาอยู่หนึ่งวันครับโดยไม่กินไม่ดื่มเขาอาธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นับพิการสรรเสรญพระเจ้าและถือบทครับแล้ววันนั้นสิ้นสุดลงพระเจ้าบอกให้เขาอยู่ที่คิดจะแห่งเดิมครับศรีบานอีกคนหนึ่งครับ สร้างความมุ่งหมายอยากจะให้มีนักเรียนเข้ามาเรียนเต็มชั้นเรียนและวิลลาศึกษาของเขาเต็มชั้นเรียนสอนเพิ่มพีที่เขาสอนอยู่เขาก็เลยส่งบัตรเชิญให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแถวๆนั้นนะครับมีการส่งบัตรเชิญไปทางไปรษณีย์ให้มาเยี่ยมที่ระจับมาฟังคําเทศนาศรีบานผู้นั้นก็อยู่คนเดียวเาอธิษฐานและถืออดเป็นเวลาหนึ่งวันเขาต้องการให้อํานาจของพระเจ้านะครับสถิตยอยู่กับการเทศนาของเขา เพื่อวิญญาณทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหลายจะได้มารู้จักกับพระเยซูไม่เพียงแต่เป้าหมายของเขาจะมารลุความสําเร็จเท่านั้นพราะมีคนถึงหนึ่งพันคนในชันะวีและมีคนกลับใจยี่สิบเก้าคนหลังจากฟังพระวจนะเพียงครับคริสต์มาสกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วพวกเรานะครับที่เป็นคริสตจักก็เตรียมตัวคริสต์มาสและก็จัดวันคริสต์มาสเพื่อที่จะเป็นการประกาศผมอยากจะแนะนํานะครับ เราควรจะถืออดพร้อมๆกันครับหรืออาจจะประจายกันถืออดครับเพื่อที่จะอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราเพื่อที่การเทศนาการดำเนินการต่างๆของกรรมการที่จัดเตรียมงานที่สามารถนะเขาจะประสบความสาเร็จครับและจะมีผู้คนที่เข้ามาอยู่ใน พนิเวศอยู่ในความรอดของพระเจ้าอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้ามากมายครับเมื่อเราเชิญกับการตัดสินใจฝ่ายญญานเราจําเป็นต้องได้รับคําแนะนําจากเบื้องบนครับและการอธิษฐานถืออดจะทําให้เราแน่ใจได้ว่าเรากําลังตัดสินใจดําเนินการถึงต่างๆตามการสร่งนําของพระเจ้ารวมทั้งชีวิตของเราด้วยนะครับในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างครับที่สําคัญสําคัญเราต้องถืออดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน Amen.